พึงพากับตั้งใจทำใจให้สงบระงับโดยดีวัดวาอารามเป็นลำมณียสถานเป็นสถานที่รื่นรมในธรรม ไม่ใช่เป็นสถานที่รื่นรมในในทางโลกเขาเพราะฉะนั้นผู้ใดมาสู่สถานที่อรัญญิกาวาสคือที่อยู่ป่าอย่างนี้แสดงว่าจิตใจน้อมไปในทางสงบผู้ใดสนใจ ในงานบาเพ็ญบุญกุศลเกี่ยวกับหมโหสถพบงานต่างๆนั่นแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นการมราวจรกุศลโดยปา ร, รกามคุณเป็นเหตุจึงทำบุญได้ปารก ร, รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส เป็นเหตุจึงทาบุญกุศลได้อ น, นันทนเนวกุศลกา ม, มาวจรที่นี้ผูท้ที่การบำเพ็ญบุญกุศลไม่สนใจกับหอระพ ค, คร ก, กันเสียงอกระทึกขึ้โคมต่างๆมุ่งหน้าสู่ความสงบเป็นที่ตั้ง อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นรูปราวจรกุศลม้วนผ้ากายภ้าใจของตนให้ห่างจากความรักความใคร่ในกามคุณทําจิตใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้จิตเอียงไปข้างรักข้างชัง นี่นะว่าเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงเกินไปผู้ที่ศรัทธาไม่แรงกล้าพอสมควรนั่นทำไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องความยินดีในความสงบนี่มีน้อยเต็มทีนะเพรเพราะคนส่วนมาก เพลิดเพลินมัวมออยู่แตในกา ม, มะคุณไม่อยากออกจากกามไม่เห็นโทษในกามดังนั้นจึงไม่สนใจที่จะแสวงบุญในสถานที่สงบสงัดผู้ที่สนใจในการเสวงบุญในสถานที่สงบสงัดแล้ว นับว่าเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี่โดยเฉพาะเรื่องการอยู่ร่วมกันการกระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันหมนีมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อจริงๆสำหรับผู้สนใจในทางแห่งความสงบไม่ปราถนาเลย พระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นท่านมาเบื่อานความเป็นอยู่ที่ไม่สงบระงับนี่นั่นแหละก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยบุคคลได้ก็ต้องเห็นโทษแห่งความวุ่นวายความเบียดเบียนกันความผูกพันกันมนี้นะในทางกิเลสตัณหานี่มัน เป็นเครื่องส ก, กัดกัน้นไม่ให้จิตหลุดพ้นไปจากโลกสงสารอันนี้ได้ดังนั้นนะ่ะลองสังเกตดูเมื่อฟังดูประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกโอวาสกวาสิการทั้งหลายต่ครั้งพุทธกาลนั่นท่านผู้ สนใจในทางแห่งความสงบแล้วก็มักจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่เรามาเสวงบุญกุศลในป่าเขาลเนาภไผ่อันนี้ชื่อว่าเรามาเสวงหาความสงบทำกายสงบวาจาก็สงบ แล้วจิตใจก็สงบสงบจากอารมณ์ภายนอกสงบจากความยินดียินร้ายต่างๆต้องอาศัยธรรมชาติภายนอกช่วยด้วยจิตใจนี้ถึงสงบลงได้อย่างละเอียดละออถ้าเราจะอาศัยตั้งแต่สติ ด้วยความอดความทนอย่างเดียวแต่ไม่เลือกสถานที่เสียเลยอย่างนี้มันก็ยากที่จะทำใจสงบได้เพราะมันมีสิ่งรบ ก, กวนให้จิตฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยไปดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกทั้งหลายจี่ขั้งอุธการ ท่านจึงแสวงหาแต่ป่าเขาลมเนาภัยไปพักผ่อนย่อนใจอยู่ในที่สงบสงัดแม้ท่านผู้ใดสำเร็จมรรคผลแล้วเย่งชอบใจในสถานที่สงบระงับเพราะว่าธรรมที่ท่านบนรรลุนั้นเป็นธรรมอันสงบระงับเมื่อ ใจเข้าถึงธรรมอันสงบระงับแล้วมันก็มีแต่น้อมใจไปสู่สถานที่สงบระงับการที่เข้าสังคมก็เป็นครั้งเป็นคราวตามประวัติที่ท่านแสดงไว้แม้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านว่าหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาแล้วโดยประการทั้งปวง ดังนั้นเมื่อได้โอกาสพระ อ, องค์ก็เข้าสู่ที่สงบสงัดนั่งสมาธิภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบส่วยวิมุตติสุขอยู่นี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าหรือพระ อ, อรหันต์ทั้งหลายเมื่อ <c oughs> <c oughs> ในพักผ่อนสวัทดิสุขอยู่ตามสมควรแล้วก็ออกมาช่วยผู้อื่นบบ น, นี้ออกมาต้อนรับแขกอย่างที่ปรากฏในตำราว่าพระองค์เข้าไปอยู่ปฏิสันลีนะกทรงเข้าไปพักผ่อนอยู่โดยลำพังพระองค์ไม่รับแขกอนุญาตให้แต่ พระที่นำอาหารไปถวายเท่านั้นบางพีพระองค์ก็อยู่ได้สิบห้าวันก็มีเดือนหนึ่งก็มีคร <c oughs> าวหนึ่งพระองค์เจ้าทรงสั่งสอนภิกษุหม่หนึ่งให้เจริญอสุภกรรมฐานเพ่งพิจารณาร่างกายนี่แหล เสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็เข้าอยู่ปฏิสันลีนะห้ามใครต่อใครไปเฝ้านั่นเอพระพิษุหมู่นั้นยังหนุ่มอยู่ยังไม่ทันชำนาญในธรรมะเมื่อทรงสอนในเจริญอสุภาคกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างในท่านนั้นก็เพ่งร่างกายนี่เป็นอารมณ์ อตุภนิมิตปรากฏเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นอย่างรุนแรงคราวนี้ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาหราหือกับท่านผู้ใดเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามเยี่ยมแล้วมีแต่พระหนุ่มอยู่ด้วยกันเมื่อมาปลา ร, รกกปรฝึก สนตนาธรรมะ ก, กันก็ต่างคนตอดแดงออกซึ่งความเบื่อความหน่ายลูกเดียวไม่มีอุวายที่จะรู้เท่าความเบื่อหน่ายเหล่านั้นและที่สุกดก็ชวนกันฆ่าตัวตายโดยเอาบริขารจ้างเห็นองค์หนึ่งเห็นจะเป็นคนอายุมากล้วมาบวชเป็นเนร ให้ทำลายชีวิตของตนให้เถนนั้นก็ไปรับมีดให้คมแล้วก็มาตัดคอพระองค์ไหนสมัครอยากจะตายก็เอาวริหารมาจ้างเถนนั่นให้ตัดคอคราวนั้น เห็นนั่นตัดคอพร ะ, ะไปตัดไปนึกกลัวบาปมะนี่ไม่ไหวแล้วเรานี่เป็นบาปงวดลงไปท่าน้ําเอามีดเอานั่นไปล้างเลือดออกอันเทวดาที่เป็ น, านามานพอตอร้องเพื่อนอีกอืมท่านไปคิดจะไรไม่ถูกมันไม่เป็นบาปหรอก เพราะว่าท่านเบือ่อพระท่านเบื่อนายท่านอยากท่านอยากพ้นจากทุกข์ในโลกนี้เพราะนั้นเมื่อท่านทำให้พ้นทุกข์ในโลกนี้ได้ท่านก็ได้บุญที่พอเทวดาบอกแนละ้วเชื่อเทวดากรับไปอีกไปตัดคอพระอีก คราวนี้เมื่อถึงเวลาออกจากที่พักผ่อนแล้วพระ อ, องค์ก็ออกมาสู่ศาลาการประเรียนพระภิกษุทั้งหลายก็เข้าเฝ้าพระ อ, องค์ก็สัมเลืองพระเนตรดูและเห็นพระมีประมาณปริมาณน้อยก็ยิงตรัสถามว่าพระทําไมมีปริมาณน้อยไปไหนกันหมด พระทั้งหลายจึงได้กราบทูลว่าพระส่วนที่ไม่มานั้นหมายความว่าได้เอาบริขารจ้างให้เห็นแก่องค์หนึ่งประหารชีวิตเสียแล้วเนื่องจากว่าท่านเบื่อหน่ายในร่างกายภาวนาเห็นอสุภณิมิตเห็นร่างกายเป็นของโสมโกเน่าเกยผุพังอะไร จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นอยากทิ้งหน้ากายนี้เสียจึงได้เอาบริขารของตนจ้างให้เห็นประหารชีวิตให้เมื่อพระศาสดาได้ทรงฟังอย่างนั้นก็จึงทรงพระดำริว่า พระเหล่านั้นไม่มีอุบายไม่มีพูดแน่อุบายให้ก็จึงได้เกิดความเห็นดิ่งลงไปหน้าเดียวไม่รอบครอบไม่รู้เท่านิมิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นสําคัญว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงถ้าพิจารณาให้ถึงความจริงแล้ว ก็จะคลายความเบื่อความหน่ายนั้นลงได้เพราะความจริงของร่างกายนี่มันก็โศโครกอยู่ตามธรรมดาของมันแหละเนื่องจากว่าร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารอาหารนั่นก็เป็นของโถกปก๋กถ้าจะไปรับประทานของแห้งๆไม่โถกปก๋กเช่นนั้นมัน ก, มนก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายนี้ นั้นธรรมชาติสร้างให้มาอย่างนี้ร่างกายนี้จึงเป็นอยู่ด้วยอาหารที่สกโปกเมื่ออาหารมันโสกะปกแล้วร่างกายนี้มันจะให้มันสะอาดไม่มีมันก็ไปตามกันเพราะฉะนั้นอ่ะ การพิจารณาเพ่งพิจารณาร่างกายเมื่อเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ทําจิตให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายอันนี้เพรธรรมชาติมันถูกเป็นมาอย่างนี้แต่ทีแรกมันก็เบื่อหน่ายนั้นเนี่ยถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไม่ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันเนี่ยภาวนานี่นะ แต่ภายหลังมากรู้เท่ารู้รู้ชัดด้วยปัญญาว่าไอความเบื่อหน่ายนี่มันก็ยังไม่เป็นทางสายกลางถ้าไม่ทําจิตให้เป็นกลางแล้วพ้นทุกไปไม่ได้จะมามัวแต่เบื่อหน่ายอยู่ลูกเดียวไม่ได้พ้นทุกขไปไม่ได้ถ้าผู้มีอุบายแยบคลาย สอนใจของตนอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าจะไปฆ่าตัวตายความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้นะมันเห็นโดยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ควรกำหนัดยินดีควรเบื่อหน่ายเนี่ยบอควรเฉยๆควรเบื่อหน่ายไม่ใช่จะไปเบื่อเอาซะจนว่า เบื่อของโะกบโกภายนอกนั้นจนอาเจียนออกหรืออะไรทานองนี้เหมือนอย่างเบื่อของภายนอกของตะกบโกภายนอกนั้นถ้าอย่างนั้นไม่ถูกทางเราต้องเบื่อด้วยปัญญาเมื่อเบื่อด้วยปัญญาแล้วก็วางกิจให้เป็นกลาง <c oughs> เราพิจารณาถึง คุณค่าของร่างกายอันนี้วะนี่ไม่ร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยงมันจะไม่สด ส, ดสวยงอรงามตามธรรมชาติก็จริงอยู่แต่ว่าคุณค่าของร่างกายนี้ก็มีอย่างมากมายก็เพราะได้ร่างกายอันนี้แหละมา ก็จึงได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้ถ้าหากว่าจิตนี้ไปอาศัยร่างอื่นเช่นอย่างว่าไปเกิดในร่างของสัตว์ดิบฉานอย่างนี้นะเราจะมาทำความดีอะไรก็ไม่ได้สัตว์ดิบฉานเป็นทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ต้องทำมันได้ตามประสงค์ ใช้การใช้งานชำแหละเนื้อมันมาเป็นอาหารอ่านี่เรียก ว, ว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่ควรที่จะได้ํำเพ็นกุศลคุณงามความดีอะไรให้สูงขึ้นไปได้ส่วนดวงจิตที่ได้มาอาศัยร่างของมนุษย์นี่มันเป็นร่างอัน สูงทรงมีเกียรติมีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมหรือถ้าถ้าพูดอีกใจหนึ่งเรียกว่าร่างกายของมนุษย์เรานี่เป็นประดุจเหมือนอย่างพาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรผลรรมวิเศษได้จริงให้เข้าใจอย่างนี้ ที่ร่างกายมันจะเป็นที่รองรับเอาบุญกุศลเป็นต้นได้ก็เพราะเหตุว่าเรามาทำใจให้เป็นกลางอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อทำใจเป็นกลางอยู่ได้แล้ววันนี่มันก็ไม่หลงไหลไปทางผิดเพราะทางเดินของจิตใจนี่มันเป็นทางผิดมีอยู่พระศาสดา ก, ก็ทรงแสดงไว้แล้ว ทางหนึ่งน้อมใจไปณนะทางความรักความใครทางที่สองน้อมใจไปในทางเบื่อหน่าย <c oughs> ถึงกับฆ่าตัวตายอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละทาไมฆ่าตัวตายกดเหมือนอย่างพวกพรฤอีแต่อดีตแต่ก่อนมาทรมานตนเอา ไปทุบเอาสะเก็ดหินคมๆ ม, มากรีดตามร่างกายให้เลือดนำเลือดน้ำเลืองออกเน่าเปะส่งกลิ่นเหม็นเพื่อกันจิตมาให้มันพอใจยินดีอยู่ในรูปร่างกายอันนี้แล้วมันจะได้พ้นจากมันความเข้าใจของพวกฤาษีบางท่านบางพวกเป็นอย่างนั้น ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นจนตายอันนี้พระศาสดาก็ทรงตัดว่าเป็นอัตตะคือมถานุโยกทรมนทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้แทรกซึมอยู่ที่กายนั่นกิเลสมันอยู่ที่ใจ ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมายึดถือเอามันไว้ดังนั้นระเบียบข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระองค์เจ้าจึงทรงสอนให้ดำเนินทางสายกลางอย่างที่ว่านั่นแหละกินก็กินพอประมาณนอนก็นอนพอประมาณพูดพอประมาณ ทำการทำงานอะไรก็ให้พอประมาณอย่าให้เหลือบาขัวแรงแล้วก็อย่าอ่อนแอเกียดคลานเกินประมาณอะไรอะไรก็ให้ทำพอดพอดีนี่เป็นทางสายกลางบ้านี้ส่วนเกี่ยวกับการที่จะลากกิเลสได้จริงๆก็ทำจิตใจให้เป็นกลาง นั่นอันน่ะสำคัญนะแล้นการที่เราจะทำจิตใจเป็นกลางไรนี่ก็ต้องพิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นลงเป็นสัพวะธาตุลงไปนี่สัตวโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคล คำว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นสมมุติว่าเอาทาหากแต่เมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วย่อมหาสัตถาบุคคลตัวตนไม่พบเลยมองดูอวิยวะร่างกายน้อยใหญ่ที่ตรงไหนก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศสาตววิญญาณธาตุเท่านั้นเองวิญญาณ ที่อาศัยอยู่กับตาหูจมูกเล่นกายใจหมู่นี้มันก็ไม่มีตัวตนอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนพอรูปแตกน้ำนี่ก็ดับไปเท่านั้นเองไม่ไม่มีอันใดเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนี้เลยเมื่อปัญญามันพิจารณาเห็น ชัดตามไปจริงอย่างนี้แล้วมันก็วางจิตให้เป็นกลางลงได้วันนี้ก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราของเขาแล้วจะไปยินียินยินร้ายกับมันทำไมนี่พูดถึงว่าผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปนะมันต้องบำเพ็ญไปอย่างนี้ <c oughs> ใช่อุบายปัญญาสอนใจเข้าไป <c oughs> จนว่าใจมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าริงทีเดียวรูปนามอันนี้ไม่น่ายินดีไม่น่ายินร้ายอะไรเอนธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมีความสกโปกเป็นลักษณะของรูปกายอันนี้ภายนอกนี่เราอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่อยู่เลยมันถึงไม่สกโปกหลาย แต่ถ้าไม่อาบน้ำไม่ชำระ ก, กายปล่อยตามธรรมชาติของมันแล้วมันเข้าใกล้กันไม่ได้เลยมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ที่มันปรากฏออกจนตามผิวหนังนี่มันก็ออกมาแต่ภายในนั่นเองนะนั่นแหละน้ำย่อยอาหารเมื่อมันย่อยอาหารเข้าไปหรอเลียงร่างกายอันนี้ มันหมดอายุของมันแล้วมันก็ทะลักออกมาทางทวานต่างๆทวานหนักทวานเบาออกมาตามขุมขนเราเรียกว่าเหงื่อคลามือนี้มันร่วนตั้งแต่เศษของอาหารที่มันเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วมันมันหมดอายุของมันอ่ะถ้าหากว่ามันไม่ถ่ายเทออกมาอย่างนี้นะ ไม่ได้เลยร่างกายอันนี้ก็ยอมเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเมื่อมันสะสมเอของเสียไว้ภายในมากๆเข้าไป น, นั่นแหละเพราะฉะนั้นการบริหารร่างกายนี่ท่านจริงแนะนำว่าอย่าให้ท้องผูกอย่าให้อุจจาระปัสสาวะมันผูกให้มันคับถ่ายตามเวลาอย่างนี้นะนี่ แสดงว่าถ้าเอาไปท้องผูกแล้วมันหมักหมมเอาของเสียไว้มากมันถึงเกิดเป็นโรคภัยขึ้นมาในร่างกายนี้เราก็เรียกว่าเจ็บป่วยไม่สบายนีย่แหละดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเสมอไปอย่าให้ท้องผูกแล้วก็การ รับประทานอาหารอะไรก็ต้องรู้จักประมาณพอดีพอดีอย่าไปเกินขอบเขตแม้อาหารนั้นมันจะถูกธาตุของตนก็จริงแต่ถ้ารับประทานมากเกินประมาณมันก็ให้โทษได้อย่างนี้แหละคือคำว่าดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็ต้องรอบคอบในการบริหารร่างกายถ้าหากว่าไม่ใช่คำเวนหนหลังมาตามสนองจริงเราบริหารรักษาไปมันก็อยู่ยั่งยืนนานไปพอสมควรแก่กาลสมัยถ้าคนไม่รู้จักบริหารร่างกายอันนี้มันก็อยู่ไม่นานเห็นอย่างว่า เอาของมึนเมาเข้ามาใส่อย่างนี้นะเช่นทุราเมรัยกัญชายาฟิ่นเฮโรอีนอะไรมูนี้ท่านจึงกล่าวว่าของเสพติดให้โทษเวลาท่องเสพมันยนั้นอร่อยจริงอยู่แต่ภายหลังมามันให้โทษตลอดถึงบุรีมูนี้ให้โทษต่อร่างกาย ายาเสพติดตอนนี้นะ่ะมันมีสารอันมีพิษอยู่ในตัวของมันอย่างนั้นเมื่อผูใ้ใดบริโภคเข้าไปสารอันมีพิษนั้นมันก็ไปทำลายตับปอดให้เสื่อมคุณภาพลงคนเราจึงได้เกิดเป็นโรคปอดโรคตับมีผิวพันธุ์สูบสีดเลือดจางอะไรไปหมดนี้นะ แต่คนบางคนไม่รู้ตัวหรอกว่าตนกำลังสร้างโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในกายของตนไม่รู้เลยเอาแต่ของเสพติดเข้ามาเรื่อยไปหรือบริโภคอาหารที่มันสแสลงกับธาตุขันแต่ว่าตนชอบมันมันจ ะ, สะแสลงอย่างไรก็ไม่ว่าอย่างนี้แหละ เมื่ออาหารใ้มันแสลงกับธาตุและขืนรับประทานมากเข้าไปมันก็กลายเป็นเชื้อโรคทำให้ร่างกายนี่แปรปรวนผิดปกติไปมันเข้ากันไม่ได้กับธาตุร่างกายอันนี้นะเพราะฉะนั้นร่างกายนี้มันจึง แปรปวนไปนี่แหละอันผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องให้รู้จักบริหารกายบริหารวาจาบริหารใจพร้อมทั้งไตรทวารไม่ใช่เราจะไปบริหารแต่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้เดื้อ ม, มนะัน <c oughs> บริหารวาจาก็าต้องเลือกพูดในสิ่งที่ มันให้คุณในประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนั้นเรื่องใดพี่น้าเห็นว่ามันจะให้โทษแก่ตนและผู้อื่นล้วไม่พูดแม้จะเกิดความไม่พอใจขึ้นภายในก็ข่มใจไว้ไม่ให้มันทะลักออกมาทางวาจามันจะไปกระทบผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่แหละความเป็นผู้ฉลาดพูดคำพูดนี่มันก็ออกมาจากดวงจิต เมื่อจีบมันโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็การกล่าววาจาอะไรออกมาก็เป็นคำหยาบรูนเสียบแทงจิตใจของผู้อื่นให้เจ็บให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันวาจาที่มันแทรกโดยความโกรธมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเวลามันโกรธฉุนเสียวจัดอยู่จะไปพูดถ้าพูดออกมาแล้วคนอื่นก็ฟังไม่ได้ ต้องอดกั้นซะก่อนให้ความโกรธนันมันเบาลงมันสงบลงเย็นลงอย่างนี้เมื่อมีเรื่องอะไรก็จึงค่อยมาพูดกันมันก็พออนุโลมกันได้พอทำความเข้าใจต่อกันและกันได้ถ้าจะไปทำความเข้าใจกันเมื่อเวลามโกรธฉุนเสียวอยูนั้นไม่ได้เลยต่างคนต่างก็จะไม่ อ, อนเนอรต่อกันและกันเลย นี่แหละดังนั้นผู้ฉลาดพูดมันก็ไม่มีภยัยไม่มีโอดทภัยเกิดขึ้นแก่ตัวเองผู้ไม่ฉลาดพูดมันเป็นโอดทภยัยภัยเกิดจากปากพูดยิ่ง่ายมันเป็นอย่างนั้นท่านพระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้ฝึกตนมาดีแล้วอย่างนั้นท่านย่อมดีตลอดไปไม่มี เสียหายระวังมีแต่ประพฤติสม่ำเสมอไปตลอดอายุของท่านทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตของท่านเป็นกลางอยู่เสมอไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปข้างหลงข้างเมาไม่ลําเอียงไปข้างกลัวถ้าถ้าตนบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ใช่ไปกลัวใคร มายกโทษยกก่อนผมไม่ไม่กลัวว่าใครจะมาฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่ามองเห็นความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของตนปราศจากบาปโทษพลินต่างๆอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึง เว้นได้ซึ่งอคติทั้งสี่มีฉันทาคติความลำเอียงเพราะความรักความใคร่เป็นต้นมีพยาพัทคติความกลัวเป็นที่สุด <c oughs> เราผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามปฏิบัติกายวาจาใจของตน ให้เป็นมัติมาปฏิปทาดังกล่าวมานั้นเท่าที่จะทำได้หมายเขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์ให้ทำให้ได้เหมือนกันหมดไม่ใช่แต่เราจำหลักปฏิบัติไว้ให้มันแน่นอนแล้วว่านี้แหละเป็นทางถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงขอให เรามั่นใจในข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นเบื้องต้นก่อนอย่างงี้นะความหมายนะ่ะแราว่าจับต้นทางให้มันถูกเมื่อรจับต้นทางถูกแล้วก็พยายามเดินไปตามทางนี้ถ้า ม, มันเผลอเผอมันวกไปทางไม่ถูกรู้ตัวแล้วก็กลับพวกเข้ามาสู่ทางที่ถูกนี้ตามเดิมอเดินไปเมื่อเดินไปในทางที่มันถูกต้องแล้ว มันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามประสงค์ถ้าหากว่ามันเดินไปไม่ถูกทาง่ะถูกบ้างผิดบ้างไปอย่างนั้นนมันก็นานถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ถึงง่ายๆเลยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> จิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันกับการเดินทางภายนอกนั่นเนี่ท่านเมื่อเรา ไปยึดเอาความคิดความเห็นในทางที่ผิดมาเป็นอารมณ์อยู่เป็นครั่งเป็นคราวเผลอไปตั้งนมนานแล้วจึงรู้ตัวอย่างนี้นะพอรู้ตัววกเข้ามาสู่ทางถูกไปหน่อยหนึ่งพอแวะไปทางผิดอีกแล้วอย่างมันมันก็นานถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเด็ดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องบําเพ็ญสัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบเนี่ยให้มันสม่ําเสมอในจิตใจไปเรื่อยๆบาปก็ต้องให้รู้ว่าเป็นบาปจริงๆอย่าไปเสแสร้งเป็นอย่างเอืน่นบุญก็ให้รู้ว่าเป็นบุญจริงๆให้รู้ด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้นะอริยสัจจะทำคือทำของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นเราจะปฏิเสธว่าโอเราไม่คู่ควรไม่เหมาะสมที่จะไปรู้อริยสัจธรรมนั่นได้คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่สนชเชลยไม่สนใจใชเชลยอย่างนี้ไม่ถูกต้อง <c oughs> ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนากมุงโรกุทรธรรมนั่นะเป็นที่ตั้งถ้าคนลงได้ ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้พร้อมกันไปแล้วแน่นอนเนี่ยมันก็บ่ายหน้าไปสู่โลกุตรธรรมนั่นเองถ้าไม่ถึงก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามจนไปให้ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมในภพในชาติต่อไป ถ้าเราเดินทางถูกแล้วนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าอย่าพากันหนีหลักทางสายกลางนี้ให้จําไว้ให้แม่นเลยทีเดียวในใจนอย่าไปเอียงไปข้างไหนอย่าไปมีความเห็นผิดไปจากคานองครองธรรมพระศาสนาทรงให้คนเรานั้นเชื่อต่อการกระทำของตัวเอง ไม่ทรงสอนให้เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่มนุษย์ผู้หลงผู้เมาเชื่อกันอยู่นั่นน่ะมันไม่นําบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้เพราะองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้สั่งสอนพุทธบริษัทให้เว้นจากการบวงสวงการบูชาพระเคราะอะไรต่ออะไรผูกดวง อดวงไม่ดีอย่างนน้นอย่างนี้อะไรพวกนี้พระพุทธเจ้ามาได้ทรงสอนเลยมันเรื่องศาสนาพราหมณ์ต่างหากอันนีนะ้เราต้องเรียนรู้พระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วศา ส, สนาพราหมณนะ์นั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์เหตุดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมบางแห่งคนถือผีกันมากถือเลือกถือยามสะดอกข้ออะไรท้ออะไรอย่างเนี้ พระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงตรตรัตพธธุทธภาสิทธิ์ขึ้นไว้นะซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ใดมาถึงซึ่งเมื่อภัยอันต ร, รายมาถึงเข้าแล้วไปอ้อนวอนบ่นบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกซึ่งเข้าใจว่าอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามภูเขาตามถ้ำ หรือตามภูมิสถานต่างๆโมนีนะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจสามารถกาจัดภัยพิบัติของร่างกายออกไปได้ดังนั้นจึงต้องอ้อนวอนบวงสวงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาช่วยตนให้หายโรคภ้ภัยหายเสนียดจไรต่างๆโมนิ ถ้ามาตนหายแล้วตนจะเลี้ยงจนจะบวงสวงได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างนั้นนะแต่บางเอิญการเจ็บป่วยนั้นมันหายขึ้นมาก็เลยว่าเป็นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะมาช่วยโดนบรรดาให้หายเจ็บป่วยได้อา้าวบางรายก็ต้องฆ่าสัตว์ชีวิตลงไปบวงสวงบูชาเข้าไปอย่างนี้นะ นั่นไม่ใช่ที่พึงอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึงอันอุดมพระองค์ว่าผู้ใดามาถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึงแล้วยอมพ้นจากทุกข์ทั้งพวงไปไม่ได้ส่วนบุคคลได ม, มาถึงพระพุะทธธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งรู้อริยสัจจะทมทั้งสี่นี่คือที่พึงอันกเกษมที่พึงอันอุดม ผู้ใดเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึงแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ดังนี้ <c oughs> พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสภาษิ์นี้ไว้เพื่อให้พุทธมริษัตได้รู้ว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบวงสรวงบูชาเช่นนั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์จะได้เว้นวการผูกดวงการสะดอกเคราะห์มูลี้นะ ไม่ใช่แล้วไอ้กรรมวิธีเหล่านี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะช่วยคนเราให้พ้นจากกิเลสตัณหาให้หายโรคหายภัยจริงจั ง, จงลงไปได้ไม่มีถ้าหากว่าทำอย่างนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยชีวิตของคนให้หายเจ็บหายป่วยได้อั น, นี้มันก็จะไม่มีคนตายเลย ไม่มีแล้วอืมเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่มีการอ้อนวอนที่เป็นพื้นลัธทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆก็ดีเขามีการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองต่อเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแม้คนไทยเราก็ยังทั้งที่นับถือวุทถศาสนาพระองค์เจ้าทรงสอนให้เว้นจากลัธทธิอย่างว่านก็นยังไปทําอยู่นี่ ยังมีอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าถึงพวพิบัติอะไรขึ้นมาก็วิ่งหาหมอไอ้ตอนเองนี่ไม่รู้เลยไม่รู้สาเหตุที่มันพิบัติเพราะอะไรหนอไ ม, ไม่สนใจนี่ก็ตนไม่รู้แล้วก็ไปหาหมอนั่นเนี่ยหมอคงจะพอมองเห็นได้จะช่วยตนให้ขจัดภัยพิบัติอันนี้ได้ ธรรมดาหมอเขาก็หาเงินอยู่แบบนั้นอยู่แล้วเขาจะไม่จนเลยใครไปถามเขาบอกทั้งนั้นเลยแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รับรองเหมือนกันนอืมแต่คนส่วนมากเราไปเชื่อเอางมงายไปเฉยๆนี่ยอันนี้ผู้บ ป, ประพฤติปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปอย่างลงไปถึงขั้นปรมาจารยธรรมแล้ว จะมองเห็นไอ้ัที่พิธีกรรมต่างๆว่นี้เป็นเรื่องไม่มีไปไม่ <c oughs> <c oughs> จะมองเห็นวิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยแต่ถ้าผู้อยู่ในขั้นต่ำนี้ก็มันก็กหมุนไปอย่างนั้นเลย เพราะว่ามันยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงยังไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเหตุฉะนั้นคนเราจึงมีจิตแปลปวนไปทั่ว น, นั่นแหละดังนั้นนะให้พึ่งพากันพินิจพิจารณาดูว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะนะั่นเมื่อสรุปใจความแล้วก็เรียกว่า ทรงสอนให้รู้ว่ากิเลสนี่นะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการไม่ใช่ว่าสิ่งภายนอกนั้นจะมาทําให้คนเราเป็นทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เนี่ย ไ, ม, ไ ม, ม, ม่ไม่มีอือไม่มีเอาทุกข์กายกายของบางคนเกิดมาแนละ้วก็วิบัติรักษาอย่างไรก็ไม่หายาพระ อ, องค์เจ้าก็สอนให้นึกถึงกรรมเก่าที่ตนทํามาแต่ก่อน แต่ชาติก่อนคงไปเบียดเบียนใครต่อใครเป็นทุกข์เกิดร้อนกรรมอนั้นติติตามมาสนองเอานี่แตเมื่อตนทํากรรมชั่วแล้วแล้วจะไม่ให้คนอื่นนั้นมาเสกเป่าขับไร้กรรมชั่วที่มันกําลังให้ผลอยู่นั้นนะให้มันออกไปจากร่างกายอันนี้ไม่มีทางาตนทํำอมอมาแล้วนี้ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่าไปทํากรรมชั่ว อย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่แล้วก็จะไม่ไม่มีความวิบัติเช่นั้นก็จะไม่มาถึงเจ็บไข้ได้ป่วยตามดินฟ้าอากาศนี่หมอช่วยได้หมอกูดพบรู้แล้วก็วางยาเข้าไปก็มีทางหายได้เป็นอย่างนั้นถ้ากรรมเวร ตามสนองแล้วไม่มีทางหายหมอก็ช่วยไม่ได้ในการเจริญภาวนาหรือเจริญอิปัสสนานี่มันต้องตามรู้ตามเห็นเหตุปัจจัยของชีวิตทั้งทางผิดและทางถูกต้องให้รู้ทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้นะมันจึงไม่หลงมันจึงไม่เข้าใจผิดไปเมื่อมันรู้รอบไปหมดแล้วอย่างนี้จิตมันก็ดิ่งลงสู่ ความเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่สงสัยลังเลอะไรเอาการละกิเลสออกจากหัวใจนี่แหละเป็นทางวนทุกแน่นอนเลยนี่มันก็สรุปลงได้อย่างนี้แบบนี้นะส่วนร่างกายนี่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นเมื่อมันมีบัตรมาเราก็ทำความรู้เท่ามันก็มันมันเหตุปัจจัยมันเป็นมาอย่างนี้นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อ หมดเหตุปัจจัยลงไปแล้วมันก็แตกดับทำลายลงร่างกายอันนี้นะ่ะแล้วจิไปหาวิธีป้องกันอย่างไรไม่มันแตกมันดับมันไม่ได้เลยอย่างนี้นะผู้ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปเรามันก็พิจารณาอย่างนี้นะให้มันเห็นชัดในเหตุปัจจัยของชีวิตทางผิดก็รู้ทางถูกก็รู้ อย่างนี้นะมันก็เดินในทางที่ถูกกันแหละบ้านี้ทางผิดไม่ไปกันแล้วเมื่อเราเดินทางถูกก็ได้มันก็จเจริญไปจิตใจก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าจิตที่เป็นกลางแล้วมันแสนสบายแม้ว่าจะเกิดความวิบัติอะไรมาก็ไม่เสียใจแม้ว่ามันจ ะ, จะเจริญด้วยลาบยศสรเสริญอะไรขึ้นไปก็ไม่ดีใจไม่หลงไม่เพลิน ทำจิตให้เป็นกลางอาศัยร่างกายอันนี้ไปบำเพ็ญกุศลความดีทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแลพร้อมทั้งรู้อริยสัจจะทำทั้งซีรู้จักว่า ความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงทุกกายรู้ว่าการปล่อยใจให้เสียใจดีใจเศร้าโศกร้องให้ล้ลําไรต่างๆอันนี้เป็นทุกข์ใจจริงอืนั่นแหละการที่เรามารู้จักเหตุก่อให้เกิดทุกข์ใจแล้วละเหตุอนั้นเสียอย่างนี้ทุกทางใจก็ดับลงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละไอ้ส่วนทุกข์ของร่างกายนี่ มันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันอาศัยกรรมในอดีตจี ต, ต, ตามมาตกแต่งให้ถึงแม้กรรมดีจะตกแต่งให้อย่างไรมันก็ไม่พ้นจากกฎธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเวลามันสำลุดทุษโทมมันก็สำลุดไปตามกาลเวลาของมันมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายลงก็ยังดีกว่าบาปมาตกแต่งให้มันได้สบายในระหว่าง ออืที่มันยังไม่สำนึกสุดโทมส่วนร่างกายอันใดที่มีบาปก ร, รมมาตามมาตกแต่งใหน้นมันทนทุกทรมานหลายจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วพึงอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดไปเลย <c oughs> พึงภาวนาละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ชั่วทั้งหลายให้ละให้เด็ดขาดลงไปแล้วมาตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอันบริสุทธิ์พุทธพ่องเนี่ยนี่แหละเป็นทางค้นทุกข์พนภัยในวตาสงสารดังแสดงมา